ฟ <c oughs> ังธังไว้เนาะมีผู้ฟังมนะีผู้พูดฟังแล้วออกไปทำไม่ใช่ฟังแล้วจำเอาถ้าฟังแล้วจำเอาได้ของปลมเสื่อมเป็นถ้าฟังแล้วไปทำจะเห็นของจริง ทำยางไงก็ทำตามที่พระเจ้าทรงสังสองสนมีสติไปในกายสติมันจะเกิดก็เพราะการประกอบขึ้นมาไม่ใช่สติธรรมดา <c oughs> สติฐานเป็นสติทักท้วงบอกขากวความรู้แล้วอะไรที่ไม่ใช่ความรู้ทักท้วง สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจได้พบเห็นจริงต่างๆต่างที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมจักรจะได้เห็นความอ่อนแอเหรือความตึงเครียดความอ่อนแอเรียกว่าการมัจฉาณิกาหรือโยกความตึงเครียด เกินไปที่ว่าอัตถาเขียวมัธยโยกผู้ปฏิบัติไม่ควรข้องแวะในชิงเหล่านั้นมีสติจะไม่เกิดความพอดีไม่ด่วนนับไม่ด่วนปฏิเสธอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ด่วนนับไม่ด่วนปฏิเสธอยู่เป็น ภาวะที่เห็นภาวะที่รู้จักตัวแลเลือกได้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกตัวเมืันคนละอย่างกันควมรู้สึกตัวคือไม่เป็นอะไรไม่ด่วนรับไม่ด่วนไปนเสดนี่เรียก ว, ว่าเป็นกลาง เห็นทั้งสองอย่างเมื่อเห็นสองอย่างก็เห็นเพืมเป็นกลางเห็นวิธีดำเนินการชีวิตเกี่ยวกับสิ่ ง, งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกิดกายกับใจเราเมื่อเราได้ พ, พักผ่อนการอ่อนแอว่าได้ พ, พักผ่อนการตึงเครียดเมื่อได้ พ, พักผ่อนถูกกระทบกระเทือน ทั้งสองประตูต้องซ้ายทั้งขวาเราจึงมีสติเมือนกับการา พ, พรักผ่อนทางจิตวิญญาณถ้าจะเปรียบชีวิตของเราเนี่ยถ้ามันออนแอถ้ามันตึงเทียดมล้กับมันวิ่งตลอดเวลาเหมือนรถที่วิ่งทางกล หนื่งละกินน้ำมันเชื่อมน้อยหย่าวังเป็นรถหมดไปหมดไปเหมือนกับชีวิตของเรานี่มันหมดไปในทางไหนสวนเปล่ามีความรักความชังความสุขความทุกข์ความดีใจความ เสียใจความพอใจความไม่พอใจทำไมชีวิตเราสูญเสียไปไม่ได้ชีวิตเลยรบย <c oughs> <c oughs> รบใช้เมื่อเรามีสติเหมือนกับซ่อมใช่เขาอู่ซ่ อ, อ, ซอมหรือว่ากรรมฐานเธอรู้เธอรู้อยู่เนี่ยลอย ชนลอยปุบ้อยสุกลอยทุกข์เกิดขึ้นค่อยห้อยไปนี่จะภาวะที่ลูกคืนมานี่ว่าวิใหม่คืนสูุขภาพเดิมเดิมปกติได้พวกเราก็วิ่งมาไกลมาพักผ่อนช้า จะยืนอยู่จะนอนอยู่จะนั่งอยู่จะเดินอยู่ก็มีความรู้สึกตัวได้แต่เวลาใดมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวเดินอยู่นอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่รู้สึกตัวได้ <c oughs> ไม่ใช่มาลุกที่ลุกหล้นยุบ ล, ล, ล, ลุกขึ้นสร้างจังหวะความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นแบบนั้นรู้สึกระลึกได้ เครู้สึกเราึกได้กับอะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวกับรีวอท์ก็ได้ประกอบไปเลยทำไปเลยมีไปเลยเห็นไปเลยเห็นไม่เป็นไปเลยมันก็มีไม่ยากมีความรู้ตามความเป็นจริงดังพุทธิองค์ได้ส่งแสดง เราเห็นความรู้ตามความเป็นจริงมีประวัติสามเีอาการเจบสองความรู้ตามความเป็นจริงในหลักอิสระสี่คือทุกข์ส ม, มุทัยโลดมากทุกข์เป็นสิ่งที่กำหนดรู้รู้แล้วรู้แล้วไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์ส ม, มุทัย แจ้งแล้วแจ้งแล้วเห็นแล้วไม่สงสยัยทุกเป็นความไม่ถูกต้องความไม่ทุกเป็นความถูกต้องแก้งที่สุดแจ้งแล้วทํำไมแจ้งแล้วเหตุที่เกิดทุกข์คือสมพุทธในโลดทําให้แจ้งแล้ ว, ลลวไม่ใช่ กเป็นเครื่องกำหนดรูเปเถินทุกไม่เป็นทุกข้นจอกทุกเหตุที่เกิดทุ ก, กละได้แล้วไม่ใช่ทำให้แจ้งละได้แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนคือทำไงปฏิ บ, บัติมันหลงไปรูปขึ้นมานั่นละทำให้ทำได้แล้ว หลงที่ใดลูได้ที่ตรงที่มันหลงทําได้แล้วเรียกว่าสมุทัยทำได้แล้วเหมือนเดิเหมือนกันเหตุมันเกิดขึ้นทําได้แล้วไม่ทําเหตุอันอีกเกิดขึ้นที่ไรเหมือนหลงไม่หลงเหมืนโกรธไม่โกรธมันทุกไม่ทุกทําได้แล้วนี่ลู แกล้งแล้วทำอะไรแกล้งแล้วรู้จริงรู้พร้อมต้องทําอย่างนี้ความโกรธไม่จริงความไม่โกรธเปนจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เปนจริงแกล้งแล้ววิธีที่จะไม่เกิดการดาเนินชีวิตในลักษณะทั้งสามอย่างนี้มีวิธีมีหนทาง เียว่าอาริมักมักคือดูใช่หรือเป่าเนี่ไม่ใช่มักเคิดไปท่องไปจํามักคือดูเห็นไม่เป็นดูดูเนี่เป็นทางเห็นมักคือทางคือดูไม่มีอะไรที่จะไปบังได้ดําเนินอยู่เสมอดูอยู่เสมอมีสติเป็นเนกาอยู่เป็นประจํา มีสติเห็นเวทนาเป็นประจำมีสติเห็นคิดอยู่เป็นประจำมีสติเห็นทรรมอยู่เป็นประจำมันออกมาเมื่ อ, อก็เห็นเห็นก็ไม่เป็นก็สักแต่ว่าจริงที่มันทำให้เราเป็นรู้ทำไม่ก็รู้จับทาได้แล้วทำได้แล้ว เหมือนผ่านไปเอาผ่านไ ป, ไปแล้วเอาไว้ข้างหลังเ้าไม่มีอะไรขวางหน้าขวางกันไดอะไรที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรามีสติเอาไว้หลังหมดไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าสตินี่วิธีดำเนินชีวิตเรียกว่าอาริมัคคือดูคือเห็น เป็นผู้ดูซะเป็นผู้เห็นซะไม่เป็นผู้เป็นซะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นคือมีภาวะที่เห็นไม่เป็นเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่เป็นผู้เป็นทำอย่างนี้ทั้งหมดเีว่ามักรวมลงมา เหมือนกับช่างกินอ้อยก็อย่างนั้นง่ายนิดเดียวช่างเป็นกินอ้อยมันม่วนอ้อยเข้าปากกับเดียวเห็นไม่เป็นแล้วก็ไม่อยากก็มักรวมลงอยู่ที่มัก เป็นหนุนทางตําเนินชีวิตเราจึงทําได้กับมือเราให้เข้มแข็งให้ดูแจ้งลูปพ้อมตรงนี้มันมีงานมีการที่ตรงนี้งานชีวิตมันคือตรงนี้เมื่อมัน ชันี้ชัวนานมันก็ได้ชีวิตขึ้นมามันพอใจไม่พอใจไม่ใช่ชีวิตสุขสุขทุกๆไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรเป็นไปเพื่อในเป็นไปเพื่อพระนิพพานเหมือนพระอ ง, อ ง, ดดงค์ผู้ตองค์แสดงจะขูเกิดขึ้นแล้วจเจอเรายานเกิดขึ้นแล้วจเจอเรา วันยาเกิด ข, ข, ขึ้นแล้วเจอเราวิชาเกิดขึ้นแล้วเจอเราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเจอเรานิพพานเกิดขึ้นแล้วเจอเรามันก็เป็นไปทานองนั้นนั่นไปกระแสไปเอาไม่ได้หลงเอาไม่ได้เมื่อหลงที่ไรก็มีไม่หลงตรงกันข้ามไปตรงกันข้ามไปเป็นทางไปเป็นทางไปเห็นไป เห็นเป็นทางดูนี่เห็นเห็นแล้วมีทางไปแไป็กระแสไปทำได้แล้วทำได้แล้วมันมีความรู้ตามความจริงเป็นอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรม เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นไปเพื่อพระนิพพานไหมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนนั้นก็เป็นไปเพื่อพระนิพพานเหนือความไม่เที่ยงเหนือความเป็นทุกข์เหนือความไม่ใช่ตัวตน ถ้เห็นเนี่ยมันเป็นมรรคต่างเก่าพ้นภาวะเดิมเข้าถูกวิปัสนาญาณขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเป็นลูกเป็นนามเป็นขันเป็นธาตุไม่ใช่ตัวใช่ตน เป็นลูกเป็นมหาภูตตลูกที่มันเป็นทุกข์ตามสภาพของลูกลูกมันบอกทุกข์ของมันคือมันมีอะไรมากมายสาภาวะทุกข์คือทุกข์ทั่วไปเห็นตามความเป็นจริงมันแก่แก่ โถนลากโถนโคลนสภาวะทุกข์ทุกที่กำหนดรู้เฉยเยแก่ไม่ได้เช่นหายใจเข้าหายใจออกเป็นสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติพิบตาคืนน้ำลายเป็นสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติเ่ินไหว เราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เรายืนเดินนั่งนอนมันคือมันแก้ทุกข์ของสภาพธรรมชาติไม่ต้องมีกายสสนที่จริงมันเป็นการแก้เป็นเป็นการบรนเทาของสภาพวัตขธรรมชาตินิสสนทุกทุกเนื้องนิดคือทุกต่ลักไม่เที่ยงไหลไปอยู่เอยนั่งอยู่นี่มันก็ไหล ไหลไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนิจสนุกขไม่มียกเว้นเลยทุกวินาทีหลยอยู่นี่ในรูปนี่ไม่มีใครป้องกันได้ในรูปนี่ไม่ไปใครเป็นใหญ่นั้นเป็นไปเองของสับนิจสนุขอาขันตุกะทุก ทุกช่จนช่อหิวข้าวหนักเบากินน้าําดื่มน้ามํานี่เรียกว่าอาขันทุกะปวดหนักปวดเบาโจอนมาเป็นข้างเป็นข่าวนี่เป็นทุกข์ที่เป็นอาขันทุกะทุกข์ของกองรูปกองนามมันมีรูปมันมีขันมันแสดงออก ยุ่งกัดก็เจ็บอะไรต่างๆก็ทำให้มันบอกจากภาพของรูปของนามมันรู้อะไรได้มันมีวิญญาณธาตุมันรู้อะไรได้ดยจากลนลโดยจากเตาโดยเขี้ยวนี่เป็นจากภาพของรูปของนาม ทุกที่มันเป็นทุกที่พระเจ้องค์ทรงสดแสดงมาชี้เรียกว่าอาริสัต์ทุกอย่างนี้ไม่ใช่บรรเทาไม่ใช่กําหนดรู้มีแต่ละอย่างเดียวถ้ามันโกรธบรรเทาแล้วกูไม่ได้ด่ามันกูไม่หายโกรธไม่ใช่แบบนั้นอดทนก็ไม่ได้ทุกที่เป็นความโกรธมีแต่ละ วางปล่อยวางอดทนมันยากปล่อยวางมันง่ายปล่อยวางไม่เป็นไรในความโกรธที่คนอื่นทําให้โกรธคนอื่นทำํำไมทุกข์มันเป็นธรรมที่ตรงนั้นด้วยถ้าเขาไม่ถ้าเขารู้เขาคงไม่ทําให้เราเป็นทุกข์เบียดเบียนเราเขาไม่รู้เขาจึงท้่เบียดเบียนเรา ไม่ใช่ไปโกรธคนไม่ใช่ไปโกดการไระทำของเขาโกรธก็โกรธเบื่อก็เบือเบ่อความไม่รู้มีอยู่ทุกคนเราก็มีเหมือนกันก็เลยเห็นเหตุเลาไม่ต้องไปโกรธเห็นเหตุที่เขาทำเมื่อคนไม่รู้เขาก็ทำอะไรได้ที่เป็นผิดผิดให้เจ็บเป็นทุกข์แต่คนอื่นเชิ่อเงินวัตถุอื่นได้แันั้นที่เราจะโกรธก็คิดถึง สงสารเขาควรให้อภัยเขาเขาไปรู้คนไม่รู้เป็นคนที่ควรให้อภัยไม่ต้องไปโกรธถ้าโกรธล้วก็เชียเปียบเขาเชื้เปรียบความโกรธเชียเปรียบคนที่ทาให้โกรธด้วยเดี๋ยวนี้เขามี สงขามจิตแตวทิทยาอยากให้ใครตายง่ายก็ทำให้โกรธอยู่เสมอโกรธที่ลยก็เป็นเหมือนจุดไฟเผาตัวเองจนทุกข์สูญเสียชีวิตบรนทอนชีวิตสั้นลงเราจงมาเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างนี้ ในอริสัตย์สี่มีความรู้ตามความเป็นจริงละบรรเทาไม่ได้มีแต่ละอย่างเดียวในลักษณะสี่อย่างทุกรู้แล้วเห็นแล้วไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์จมูทัยเห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำได้แล้วสมุทัยมันเคยหลงไม่ห ล, ล, ลงทุกทีหลงที่ใดไม่หลงทุกทีตรงกันข้ามทุกทีโกรธที่ใดไม่โกรธทุกทีทุกที่ใดไม่ทุกทุกทีนี่คือตัวสมุทัยละนี่รูดแก้งแล้วไม่เป็นธรรมเลยความหลงความทุกข์ไม่เป็นธรมมมมนธรมเลยควไม่หลงความไม่ทุกข์เป็นธรรมแจ้งที่สุดไม่ต้องถามใคร มักวิธีทานดำเนินคือดูคือเห็นอย่างเดียวม้วนลงเป็นภาวะที่ดูหรือปล่าเนีน่เป็นการดูแลตัวเองปลอดภัยได้แล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่ลู้มีแต่หลงเอาจริงๆแล้วภาวะที่หลงภาวะที่ลู้ หลงนี่ยากลูกง่ายเอาไปเอามานีความชนานาญง่ายที่จะลูกปึกไปใหม่ง่ายที่จะหลงเปนไปได้ฝึกไปฝึกไปหลงนี่เป็นเรื่องยากจะ บ, บังคับขับใสยังไงก็ไม่หลงเอาเนินทาก็ไม่หลง แล้นเสริญก็ไม่หลงไม่ถึงกระทั่งเก็บปวดอะไรก็ไม่หลงทุกขทุกข์อะไรก็ไม่หลงล ง, ง่ายงายก็ไม่หลงไปแค่อะไรทุกอย่างโลภโลภหมดเรียกว่ามีสติเป็นหน้าโลกปดดูโลภโลภโปรดภัยไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงเดียวสติมันเป็นหน้าโลกพภปีหนาจกคือปัญหาผู้มีสติเป็นวียนหนยโลภโลภ มีสติเป็นหน้าโลกดูแลมักายใจมันก็คุ้มแล้วเกิดคือหลงนี่แหละตัวหลงเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อมีตัวลูกเข้าไปดูแลแล้วก็ปลอดภยัยก็มัเสละเป็นพักง่ายๆไม่ยาก บางคนอดทนยากไม่โกรธไม่ได้ไม่โกรธไม่ได้ที่จริงไม่ได้ทําคนที่พูดอย่างนั้นไม่ได้ทําดูไม่ได้ประกอบดูนั่นไม่ยากก็จะบังคับให้โกรธให้ฉุกให้ทุกข์มันข่มขืนตัวเองการข่มขืนตัวเองมัเป็นทุกข์มากตัวนี้น่าละคนนี้น่าเกลียดคนนี้หน้า ชอบอะไรต่างๆสมมุติปัญญัติเกิดขึ้นจืดจางไปเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะให้หลงให้โกรธให้ทุกข์เป็นไปไม่ได้พราไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์มีอยู่เป็นอยู่ <c oughs> เหมือนเรามีบ้าน <c oughs> นั่งอยู่ในร่มจะเดินไปออกไปเวลาฝนตกจะออกไปตากฝนให้เปียก เวลาแดดออกจะออกไปตากแดดเรามีล่มอยู่มีธรรมะก็เหมือนมีล่มในมือเหมือนโนนในมุ้งเวลามียยงบินอยู่ข้างนอกยุงก็ไม่ได้กัดมีมันก็ไม่ได้กัดเรามีธรรมะเหมือนมีมุกก้งกลางโนนมีธรรมะก็อยู่ในโลกไม่เปิดเผนกับโลก เหมือนใบบัวที่อยู่ในน้ําไม่เปืเป้อนกับน้ามีอยู่สุขทุกข์นินทาเฉินสฉนเจ็บเกิดเจ็บเจ บ, จ บ, จบตายมีอยู่แต่ไม่เปืเป้อนกับสิ่งเหล่านั้นนี่ธรรมะคืออย่างไรคือเห็นมันเจิเห็นมันเจ็บเห็นมันตายเห็นมันสุกเห็นมันทุกข์เป็นมากไปดําเนินไปง่ายๆก็เรียกว่าได้ชีวิต ได้ชีวิตชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรไม่เอาไปห้อยไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นบางทีเราไม่ได้ชีวิตเอาไปห้อยไปแขวนไว้กับความรักความสุขกับสิ่งแวดล้อมในอนุ้ น, นด้นี่จะมีความสุขแต่ไม่ได้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นความทุกข์ไหวข้าหา ไปห้อยไปเขียนไว้กับสมมุติปัญญาที่มาเอาเองมันไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่ไปห้อยพิเขียนน่ากรบเพีงดนะคือมันไม่เป็นอะไรนี่แหละมันไม่เป็นอะไรนี่คือชีวิตแต่ว่าไม่เป็นอะไรสุข ก, ก็เห็นมันสุขทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มีอยู่แต่ว่ามันไม่เป็น มันเก็บก็เห็นมันเก็บอยู่ไม่เป็นผู้เก็บมันไม่เป็นอะไรมันตายก็เห็นมันตายมันจะตายก็เห็นมันจะตายมันไม่เป็นอะไรกับความตายไม่ได้ทุกข์เพราะความตายไม่ได้ทุกข์ความเก็บไม่ได้ทุกข์เพราะความเปล่ามันเห็นตามความเป็นจริงเหมือนกับ ใบบัวในน้ำมันก็ไม่เปียกน้ำชีวิตที่มีธรรมะอยู่กับโลกโล ก, ก็ไม่ปเปื่อนกับโล ก, โลกเป็นไปได้ถ้ามีสตินะจะได้ชีวิตแบบนี้ขึ้นมา ถ้าไม่มีสติสตก็ไม่ได้ชีวิตแบบนี้ขอไม่ได้ซื้อไม่ได้แบ่งแบนกันก็ไม่ได้ต้องเป็นการกระทเาเราเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทำดีก็จะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่วเรามีกรรมเป็นของของตน เราจึงมามีการกระทานี่เกิดขึ้นมามันก็พ้อแล้วชีวิตของเรานะมีลูกมีนามมีรูกก็นั่งอยู่นี่เป็นลูกหาภูตะลูกมาทำความดีได้มาละความชั่วได้มีนามมันมีวิญญาณธาตุมีวิญญาณธาต์เอามามาใช้ลูกให้ทำความดี ห้ามไม่ทำความชั่วได้ละชั่วได้ทำดีได้รูปนามเนี่ยแต่ทำชั่วมันก็ไม่ปิดบังทำดีก็ไม่ปิดบังเพราะวินเห็นอยู่ด้วยกันนี่ไม่ใช่รีลัมถ้าเรามีสติสตเห็นทันทีมาก่อนไวกว่าอันอื่นสติเนี่ย มาไวกับรูปไวกับนามไม่ใช่อื่นไวกว่าสติมันมาไวสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามถ้าหัดมีสติมันจะมาไวไวถ้าหลงสติมาถึงก่อนเห็นหลงถ้าสุกสติมาถึงก่อนเห็นสุกถ้าทุกขสติมาถึงก่อนเห็นทุกขต้องฝึกหัดถ้าไม่ฝึกหัดก็มาไม่มาไม่เป็นนะ ลงก็หลงไปเลยห <c oughs> <c oughs> ลงข้ามวันข้ามคืนหลงเป็นปีก็มีนะไ ม, ม่ชิมีสติมาไหวมอนไม่เหมือนไม่มีพ่อแม่มาดูแลมาช่วยเป็นคนชีวิตที่เถื่อนเหี้ย เขาหอบพิ้วไปไหนก็ไปรูปนามนี้กลางคืนเป็นควรกลางวันเป็นเปลวไหลไปต่างคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดไปตามอาการที่มันเกิดขึ้นไม่บางทีมีสมมุติบัญญัติวัตถุอาการาต่างๆสมมุติบัญญัติก็มากมาย ในเป็นสมมติปัญญัติเป็นรูปก็มีสมมติบัญญัติเป็นนามก็มีมีแต่สิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเราไม่ศึกษาก็เหมอไปได้แล้วพวกเราก็ตื่นรล่นกันมีแต่ใครเ ป, ป็นรูปเป็นนามนอะกจากเกิเดเจ็บเจตายแล้วอด่นมีเยอะแยะเลยสมมติบัญญัติประตูอาการต่างๆมากมาย รถของโลกมีมากสมมุติบัญญัติเป็นรูปทำตามสมมุติบัญญัติว่าชอบสมมุติบัญญัติเป็นนามทาตามสมมุติบัญญัติว่าไม่ชอบคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์เป็นสมมุติบัญญัติตออกจากความแก่ความเก็บความตายแล้วก็เป็นหลอกอยู่แล้วยังเพิ่มเข้าไปอีก เป็นเลสูบุรีเพิ่มเข้าไปอีกสมมุติวันหยันว่าชอบเที่ยวเต้เร่ร่อนเพิ่มเข้าไปอีกน่าสงสารมันมีสมองคนเรานะเป็นรูปเป็นนามเนะี่ยมากาะกู้ชีวิตของเราช่มีสติเนี่ยมีสติเป็นหน้ารอบเป็นเจ้าของมันใชนะ่ไหยปล่อยกันที่ยงทำใหม่ไม่เป็นโทษ ถ้าป่อยให้ทําำรูปนามันทําอะไรมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้ถ้าเราไม่รู้นะแม่เราเจ็บไข้หรืป่วยมันเป็นการกระทําของรูปของนามเองไม่ใช่ใครที่ไหนมืคราะไม่เป็นโรคเป็นภัยก็เป็นการกระทําของรูปคนนามเองบางทีธรรมชาติก็ช่วยมันเองธรรมชาติมันช่วย ตัวมันเองเราไม่เคยช่วยตัวเองให้ธรรมชาติช่วยบางทีก็ธรรมชาติก็ถูกกบเกิื่อรูลุบรดามเนี่ยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นต น, น, านมาเป็นสุขอมมาเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าไม่มีเจ้าของมันเถื่อนถ้าหอบหิ้วไปไหนก็ไป เขาอาไปอะไรไปใช่ก็ปไปแช่สุกก็สุกใช่ทุกก็ทุกใช่โกรธก็โกรธแช่หลงก็หลงใช่รักก็รักแช่เกลียดชังก็เกลียดชังตามทำตามความรักความโกรธความเกลียดความชังความสุขความทุกข์มากเท่าไหร่มันมีประโยชน์อะไรคนหัวลูกนะ ค้นหัวลูกมากเพื่อพูดถึงเรื่องโลกูกลดองโลกที่เราไม่เคยรู้ตัวเองมาก่อนนอนไม่หลับเพราะความคิดกินมาได้เพราะความคิดทั้งทั้งที่เป็นความคิดเป็นนามธรรมามันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่มันเป็นอํานาจทาให้เป็นทุกข์ได้เป็นความโกรธได้ อะไรเป็นประเป็นกรรมได้ร้อยปฏเสนรูปทำนามทำมันทำดีมันทำชั่วได้ยึมามีสติเนี่ยก็ปฏิเสธความรู้สึกตัวก็เทาปฏิเสธตัวเองไม่รู้จักช่วยตัวเองให้คนอื่นช่วยไม่ได้เช่นความโกรธาบางห้ามไ ม, ไม่ไม่โกรธเป็นไปไม่ได้บางทีอจะทำลายคนที่ห้ามด้วย คนที่ดีๆไปช่วยคนที่ก็ลองถูกทำลายก็ถูกฆ่าตายมันเป็นแบบไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักห้ามตัวเองทุกคนต้องเริ่มโต้ตอนเริมต้นตัวเองนับหนึ่งจากเราการที่ยกผลช่วยตัวเองคือมีสตินี่แหละมาช่วยตัวเองกันเถอะพวกเราว่ามี เจ้าของซมีสติเป็นเจ้าของดูแลกายใจให้มันคุ้มเรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าดูแลกายยจงไม่คุ้มก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมรูปแบบใดก็ตามถ้าไม่ได้ดูแลกายใจไม่ใช่ปฏิบัติจะแบบไหนก็ตามถ้าแบบไหนก็ตามถ้าดูแลกายใจถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม เห็นการเห็นใจเห็นมันฉุกเก็บมันทุกได้ช่วยมันในความทุกข์ก็ให้มันไปความไม่ทุกข์ให้เห็นมันทุกบางอย่างทําตามที่พระเจ้าทรงสอนทุกบางอย่างกําหนดรู้เดียการรู้ทุกบางอย่างกําหนดรู้เดียการมันเท่าทุกบางอย่างกําหนดรู้เดียการละไปตามสภาพของทุกขมีระเบียบมีระเบียบ ทุกที่ต้องละไม่ใช่บันเทาได้ต้องละเด็ดขาดเช่นความโกรธต้องหยุดทันทีเด็ดขาดทันทีแล้วบนทุกข์ก็ต้องหยุดทันทีทุกเด็ดขาดทันทีเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดทางไปนิพพานคือเด็ดขาดไม่สุบบุหรีกันเด็ดขาดทันทีไม่กินหมากเด็ดขาดทันที ไม่คิดชั่วเด็ดขาดไม่พูดชั่วเด็ดขาดไม่ทำชั่วเด็ดขาดมันจะไปไหนมีสติร้อยเปร์เซนชีวิตของเราทำกับเราให้มันเด็ดขาดลองนี้อย่าอ่อนแอบางทีความคิดขึ้นมาก็ยังคล้อยตามเด็ดขาดคน อย่าป่วยมันเด็ดขาดมีสตินี่เวลานี้ไม่ใช่ไปคิดเด็ดขาดนี่ในเดือนนี้เดือนจบปะตายางการตัดลูกของพุทธเจ้าเนี่ยพระองคคิดยังไงเด็ดขาดคิดถึงเราเด็ดขาดเราไม่ใช่หมาที่องคิดถึงลูกเรามาหาโมกกระทำเรารับคนทั้งโลก ไม่ใช่รักเฉพาะเราคนเป็ดขาดยิ่งใหญ่กว่านี้เรารักคนทั้งโลกไม่เหนือการเกิดเ จ, จ็บเจ็บปาเราจะหาเรื่องนี้มาช่วยมนุษย์ทั้งโลกเรารักเพียมผาคิดถึงเพียพผา่าเด็ดขาดกลับมาเด็ดขาดง่ยแต่ความคิดคิดถึงประสาทเซดูเต็ดขาด แต่เมื่อคิดในอ่อนแอเปียบเที่ยวบต้นฉีวาหางโพเดือดขาดนั่นเป็นความคิดนี่เป็นการกระทำนี่คือรู้นั่นคือคิดไปเห็นความคิดลักษณะแบบนี้เด็ดขาดเดืดขาดเดืดขาดไปวที่เห็นราวาที่ไม่เป็นก็งอกงขึ้นมาได้ประโยชน์ มันผิดมันจึงมีการถูกถ้าไม่ผิดมันก็ไม่ถูกถ้าไม่ทุกข์มันก็พ้นจากทุกข์ไม่เป็นน่าจะขอบคุณมันขอบคุณความหลงขอบคุณมึงอะเขาลบความหล ง, ลหลงแต่ก่อนไม่รู้จักเขารบความหลงรู้จักหลบหลีก เราจึงปฏิบัติธรรมแบบนี้มันโงกมันงามขึ้นมาจริงๆนะถ้าเป็นการสูงก็สูงขึ้นมาพ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเก่าๆคนละโลกกันเราจะพูดถึงบังคับผมคือนี่เป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้คนเราควบระชา มันชินพบชินชาติแบบเดิมๆเคยสุขเคยทุกข์เคยพอใจเคยไม่พอใจน้อมแล้วลำเอกเกิดแล้วชิ้นไปเลยมันก็เลยเรียกว่าพนเนราวะเก่าพนเพราวะเก่าต่างเก่าทิวิติต่างเก่ า, าเป็นไปได้การปฏิบัติ การจเจริญสติเนี่ยเป็นไปเหมือนผู้เที่ยวแสดงธรรมจับตันละถ้าทําตามพระองค์สอนจับเข้าไปจะได้เห็นสองอย่างมันไปคิดไม่ควรคง ม, มันไปคิดไม่ควรเฉียบมันปไปคิดคือผู้เห็นภยัยเห็นภัยคือเห็นการเกิดแก็เจ็บตายอย่าไปอ่อนแอ หลงเป็นหลงเป็นความอ่อนแอโกรธเป็นโกรธเป็นความอ่อนแอเกิดกิเลสตัณหาลักะค่ะคอยตามมันน้อมใจไปเพ่งเลง็งใสใจเป็นความอ่อนแอเดบคาสมาสุขานิการโยเอาผิดเอาถูกเกินไปตึงเครียดเกินไปอยากรู้อยากได้ให้ควา ม, วามอยากพาทมมันเป็นความ ลำบากไม่ต้องอยากรูก้ให้ทำลงไปทำใจสบายๆเป็นกาบางทีทำด้วยความอยากจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ไม่อยากแบบนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราคนหนึ่งเราไม่ว่าแย่านีไม่เป็นไรเคยคิดแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเอาให้ได้ หลวงพ่อเทียนสอนเราคิดถึงหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอายุเท่าไหร่ปฏิบัติธรรม48ปีเราก็หนุ่มกว่านั้นเราคนนึงก็เก่งเหมือนกันแม้บางส่วนท้ายทายมานี่หลวงพ่อเทียนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์เขียน เลือกเอาสามวัดนี่นะวัดโมกวัดสนามหนวัดทับเมิงขวรอย่าทิ้งสามวัดนี่เด็ดขาดให้เลือกเอาเลือกใช่ตรงไหนก็ดูแลตามที่หลวงพ่อบอกแต่ว่าใจ ล, ลึกๆเราต้องเก่งกว่านีสามวัดนี่ใครอยู่ก็ได้เป็นวัดในเมืองเป็นวัดที่มีความสะดวกสบาย ลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนมีแช่สามวัเท่านี้เลยมันคิดอยู่ในใจสวนทางกับหลวงพ่อเทียนอยู่เขาอยู่กันได้วัดสามวันนี่นะเขจะเก่งกว่านี่นะลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนขอให้เราเป็นคนเก่งสักคนนะไย<ป>ห<ป>นีออกไปเลยไม่ต้องอยู่แต่ว่าต้องไม่ทิ้งวัดสห <laughs> นี้มาอยู่ที่นี่นะหนีมาอยู่ที่นี่นะคิดว่าไม่มีใครที่อยู่ที่นี่ได้ เราต้องเก่งกว่ามูเลยเป็นอย่างนั้นคือมันเคลียร์ตัวเองบ้างบางโอกาสภาษาไหลความโกรธภาษาไหลความทุกข์ภาษาไหลความลาหลงภาษาไหลความรักความชังกิบจ่อยเหลือเกินต้องเก่งกว่านี้นะไปคิดถึงลูกที่เมน้นี่มันทําไมไม่ใช่เลยใช่ไหมเอเอด่าตัวเองไหมชาติมา มันนั่งคิดถึงลูกขึ้นเมียเลยเอาอะไรลนะ่ะคิดถึงเพื่อนคิดถึงความโกรธบางทีก็คิดถึงความโกรธบางทีก็คิดถึงความรักมันอะไรกันอันที่มันไม่ต้องคิดถึงอะไรมีสติไม่หมิดไม่ได้เลยนคะรับอางนี้นะปฏิบัติธรรมก็ขอเคี่ยวพวกท่านทั้งหลายพวกเราต้องหน่อยให้พึ่งตัวเองหมากๆ ปฏิบัติธรรมอย่าไปใช้ไข่จูดตัวเองพิพากษาตัวเองให้พ้นไยพ้นทูดอะไรมันพ้นไปพ้นไปพ่นไปพ้นจะความหลงพ้นจะคามสุกพนจะความทุกข์พ้นจะความรักความชังพ้นไปพ่นไปก้าข้ามเปิดแจเจบตายน้ายนิดเดียวเหมือนช้างกินโอ้ย เปบ็นเดียวเห็นไม่เป็นนิดเดียว อ, อ, อสมก่อนเวลากราับความตัด